เคารพรักในพระผู้มีพระภาคพราะาาอนนท์มีอยู่อย่างสุดพนานายอมสละแม้แต่ชีวิตของท่านเพื่อพระพุทธองค์ได้อย่างเช่นครั้งหนึ่งระตถวทั์ร่วมกับพระเจ้าอาชาติศัตรูวางแผนสังหารพระจอมุนีโดยการปล่อยช้างนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันและหมมเหล้าซส้นสหกหม้อช้างนาราคิรียิ่งขนองมากขึ้นวันนั้นเวลาเช้า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 พระอนุลนพุทธานุชาเดินล้ามาเยืยนเบื้องหน้าของพระภูมิพระภาคโดยคิดจะป้องกันชีวิตของพระศาสดาด้วยชีวิตของท่านเองเลีไปเถิดนอนุลอย่าป้องกันเราเลยพระศาสดาตรัสอย่างปกติพระองค์ผู้เจริญชีวิตของพระองค์มีค่ายิ่งนะักพระองค์อยู่เพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกเป็นดวงประทีปของโลกเป็นที่พึ่งของโลก ประดุจโพและใส่เป็นที่พึ่งของหมู่นกเหมือนน้ําเป็นที่พึ่งของหมู่ปลาและป่าก็เป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์จตุ บ, บททวิบาทพระองค์จะเสี่ยงจากอันตรายครั้งนี้เลยเจ้าของข้าพระองค์มีค่าน้อยขอให้ข้าพระองค์นได้ฉละสิ่งซึ่งมีค่าน้อยนี้เพื่อรักษาสิ่งซึ่งมีค่ามากเหมือนฉละกระเบื้องเพื่อรักษาไว้ซึ่งแก้มนีเถิดพระเจ้าค่ะอย่าเลยอาหนน บารมีเราน่ะได้สร้างมาดีแล้วไม่มีใครสามารถปรงตถาคตลงจากชีวิตได้ไม่ว่าสัตว์ดิรกชานหรือมนุษย์หรือเทวดามารพรมใดๆขณะนั้นช้างนาราคิริวิ่งมาจูนจะถึงองค์พระเจอมณีอยู่แล้วเสียงร้องกรีดของหมู่สตรีดังขึ้นเป็นเสียงเดียวกันทุกคนอกสันขวัญหนีนึกว่าครั้งนี้แล้วเป็นวาระสุดท้าย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 เพราะกรรมอันไม่ดีของเธอในชาติก่อนแต่งให้เธออย่าประกอบกรรมหนักคือทำร้าย<น>าพระพุทธเจ้าเช่นเราอีกเลยเพราะจะมีผลเป็นทุกข์กแก่เธอตลอดกาลนานาราคิรีสงบนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วใช้งวงเท้าเคลียพระชงของพระผู้มีพระภาคเหมือนสารภาพผิดความมึนเมาและตกมันพระราชนาการไปสิ่งนี่แหละพุทธานุภาพ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 ทำไมเธอถึงทําอย่างนี้เธอทําสิ่งที่ไม่สมควรไม่เช่กิจของสมณนะเธอทราบไม่ใช่หรือว่าสมณะนะ่ะไม่ควรปรุงอาหารเอง ท, ทําไมเธอจึงมักมากถึงป่า น, นี้ล่ะเอาไปเทเสียเถิดอานนนเราให้รับยาคูของเธอลรอกพระอานุ์คงก้มหน้านิ่งท่านไม่ได้ตรีปากโต้แย้งเลยแม้แต่น้อยท่านเป็นผู้น่าสงสารอะไรเช่นนั้น ครั้งหนึ่งพระกายของพระผู้มีพระภาคหมักหมมด้วยสิ่งที่เป็นโทษเป็นเหตุให้ทรงอึดอัดมีพุทธประสงค์จะเสวยยาระบายพระอานุ์ทราบแล้วจึงไปหาหมอชีวกา ก, ากาูมารพัดแจ้งเรื่องนี้ให้ทราบหมอเรียนท่านว่าขอให้ท่านกราบถูให้พระองค์ทรงพักผ่อนเพื่อให้พระกายชุ่มชื่นสักสองสาวันพระอนุ์กระทำตามนั้น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 ขั้นในระหว่างแล้วตรัสถามพระอนุ์ว่าอานุ์เธอจะทําจีวรแบบนาของชาวมคตนี้ได้หรือไม่ลองทําดูก่อนพระเจ้าค่ะท่านทูลตอบต่อมาท่านได้ทําการเย็บจีวรแบบคนาของชาวมคฏนั้นแล้วนำขึ้นทูลกล้าวถวายให้พระผู้มีพระภาคทรงพิจารณาพระพุทธองค์ทอดพระเนตรแล้วเห็นชอบด้วย รับสั่งให้พิษูน์ทั้งหลายใช้จีวรที่ตัดและเย็บแบบที่ท่านอนนนออกแบบนั้นพร้อมกันนั้นได้ตรัสชมเชยท่านอนุนท่ามกลางสง่าว่าพิสุจทั้งหลายอานุนเป็นคนฉลาดมีปัญญาสามารถเข้าใจในคำที่เราพูดแต่โดยย่อได้โดยทั่วถึง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 ขณะนั้นพระเจ้าอุเทนและพระมเหสีประทับอยู่ในพระราชอุทยานพระมเหสีทรงทราบว่าพระอนุ์มาก็สรงโสมนัดทูลลาพระสวามีไปเยี่ยมพระอนุ์สนธนาพอเป็นสมโมธนียกถาแล้วพระอนุ์แสดงธรรมเป็นที่เลื่อมใสจับจิตยิ่งนักพระนางได้ถวายจีวรห้าร้อยืนแด่พระอนน์ในเวลาต่อมาพระเจ้าอุเทนทรงทราบเรื่องนี้แทนที่จะทรงพิโรธพระมเหสี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 จะเอาผ้าปูพื้นเก่าเน่ยไปทำอะไรอีกละ่ะก็จะเอาไปทำผ้าเช็ดเท้าแล้วจะเอาผ้าเช็ดเท้าเก่า่ไปทำอะไรก็เอาไปทำผ้าเช็ดุรีแล้วจะเอาผ้าเช็ดุรีเก่าเนี่ยไปทำอะไรก็เอาไปโครกขย้มกับโครนแล้วก็ฉาบทาฝาไงละ่ะพระเจ้าอุเทนส่งเรื่องใส่ว่าสมณะสักยะบุตรเป็นผู้ประหยัด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 พระพุทธองค์จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการทำเพราะเห็นแก่หน้าหรืออคติหามีแต่อานนท์ไม่แต่ที่อานนท์ทำเช่นนั้นก็เพราะเระเลึกถึงอุปการะของสิทธ้นั้นซึ่งปฏิบัติชอบต่อเธอหลือกเกินภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าอุปการะผู้อื่นแม้แต่น้อยอันมันเด็ดพึงเระเลือกถึง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 ผ้าที่ท่านถวายแล้วนี้นะี่ได้ชื่อว่าถวายสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพลานิสงฆนะ์มีมากกว่าการถวายเป็นส่วนบุคคลแด่พิสุรูปใดรูปหนึ่งหรือ่กาการถวายแดกพระพุทธเจ้าเองโคตมีเอ่ยการที่จะถากคดในรับจีวรของท่านนั้นไม่ใช่เพราะใจไม้ไส่ร ก, กระามอะไรหรอกแต่เพราะม่วงประโยชน์อันสูงสุดที่จะพึงมีแก่ท่านเอง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 ของที่ถวายแด่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปฏิพัธ์ของที่ให้แด่คนภายนอกพุทธศาสนาซึ่งปราศจากกามราคาขขะของที่ให้แด่ปุตตุชนผู้มีศีลของที่ให้แด่ปุตตุชนผู้ทุศีลแหลกของที่ให้แด่สัตติระชานอา น, นของที่ให้แก่สัตติระชานยังมีผลมากผลภศาลอา น, น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 มีธรรมสามสักแต่ว่ามีกาสาวพัดพันคอการให้ทานแก่พิสุทุูศีลเห็นป่า น, นั้นแต่อุทิศ ส, สงก็ยังเป็นทานที่มีผลมากมีอนิสงภัยสารประมาณนี้ได้แล้วงหันไปตรัสแก่พระนามผู้มีจีวร อ, อันจักถวายว่าดู้ก่อนโคตมีเพราะฉะนั้นการที่ท่านได้ถวายจีวรแด่สงซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในครั้งนี้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 ก็เป็นอันว่าพระนางได้บรรพชาอุปสมบทสมปราธนาครูธรรมแปประการนั้นก็มีดังนี้พระสุนีแม้บวชแล้วตั้งร้อยปีก็ต้องทาการอภิวาทการลุกขึ้นต้อนรับอัญชลีกรรมและสามีกรรมแก่พระสุแม้ผู้บวชแล้วในวันนั้นพระสุนีต้องไม่จำพรรษาในอวาทที่ไม่มีพิะุ พิสูจนีต้องถามมันอุโบสถและเข้าไปรับโอวาทจากพิสุทุกกึ่งเดือนพิสูจนีจำภาษาแล้วต้องบวารณาคือเปิดโอกาสให้ตักเตือนสั่งสอนจากสำนักทั้งสองคือทั้งจากพิสูจนีสงและจากพิษุสง์พิสูจนีต้องอาบัตหนักเช่นสังฆาทิเศตแล้วต้องประพฤติมานัดตลอดสิบห้าวันในสงทั้งสองฝ่ายคือทั้งในพิสูสง์ และพิสุจนีสงฆ์นางสิกขมานาคือสตรีที่เตรียมจะบวชเป็นพิสุจนีจะต้องประพฤติปฏิบัติศีลหข้อคือตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อ6ให้ครบบริบูรณ์ตลอดเวลาสองปีขาดไม่ได้ถ้าขาดลงจะต้องตั้งต้นใหม่เมื่อทาได้ครบแล้วต้องอุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายพิสุจนีต้องไม่ด่าว่าเปรียบเลยหรือบริาพาทภิสู์ไม่ว่าการณีใดๆ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปห้ามพิสูจนีว่ากล่าวสังสอนพิสุให้พิสุ์ว่ากล่าวสังสอนพิสูจนีได้ฝ่ายเดียวดูก่อนอานนท์นี่และคุรุธรรมทั้ง8ปดประการซึ่งพิสูจนีจะต้องสักการะเคารพนับถือบูชาตลอดชีวิตจะล่วงละเมิดมิได้พระอนุนจำคุรุธรรมแปดประการได้แล้วทูลลาพระผู้มีพระภาคไปเฝ้าพระนางโคตมี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 แปลว่าพระพุทธองค์ประสงค์ให้พิษุณีหมดไปโดยเร็วและความประสงค์ของพระองค์ก็สำเร็จผลปรากฏว่าในสมัยที่พระองค์นิพานนั้นมิได้มีเรื่องกล่าวถึงพิษุณีเลยสนิทฐานจนว่าพิษุณีอาจหมดแล้วก็ได้มาโผล่ขึ้นอย่างไรในสมัยพระเจ้าอาโศกอีกไม่ทราบข้อที่น่าคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือปวัตตินีหมายถึงอุปชัยยะผู้ให้พิษุณีบวชรูปหนึ่งบวชพิษุณีได้หนึ่งรูป ตอนหนึ่งปีและต้องเว้นไปหนึ่งปีจึงจะบวชได้อีกรูปหนึ่งแบบนี้นะ่ะหมดแน่บางท่านนะให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าการที่พระพุทธเจ้าไม่ประสงค์ให้มีพิษุนีนั้นเพราะต้องการให้สตรีเป็นกองสเบียงการบวชเหมือนการออกรบต้องทัพถ้าไม่มีสเบียงก็ไปไม่ไหวให้ผู้หญิงอยู่เป็นกองสเบียงบำรุงศาสนาจักรซึ่งมีพระเป็นทหารและพระพุทธองค์นั้นก็เป็นพระธรรมราชา อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ทรงยอมให้บวชนั้นก็เพราะว่ามีพระ ก, กรุณาต่อสตรีไม่ต้องการให้สตรีนะ่ะต้องลำบากการบวชเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องระจนภัยน า, นานาประการผู้บวชอยู่ได้ต้องเป็นคนเข้มแข็งมีใ่คนอ่อนแอสตรีเป็นเพศอ่อนแอพระพุทธองค์ไม่ต้องการให้ลำบากเรื่องที่มีสิกขาบวชัญญัติมากสาหรับพิสุนีนั้นบางท่านให้เหตุผลว่า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 อนุชาตอนความรักความร้ายนอกจากมีเมตตากรุณาหวังใจในความทุกข์ยากของผู้อื่นแล้วพระอนน์ยังเป็นผู้สุภาพอ่อนโยนอย่างยิ่งอีกด้วย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 ความรักที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังที่พระคุณเจ้ากล่าวมานั้นน่ะเห็นจะเป็นความรักของคนที่รักไม่เป็นเสละกระมังคนที่รักเป็นน่ะย่อมรักได้โดยไม่ให้เป็นทุกข์น้องหญิงนะ่าเคยรักหรือหมายถึงเคยรักใครคนใดคนหนึ่งมาบ้างหรือไม่ล่ะในชีวิตที่ผ่านมานะไม่เคยมาก่อนเลยครั้งนี้นะ่ะเป็นครั้งแรกและคงจะเป็นครั้งสุดท้ายอีกด้วยอ้าว